ทีนี้ถามว่าเบื้องต้นทำไม่ได้อยังทำไม่ได้ก็ตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้คือคนในโลกเนี่ยนะชีวิตตามเป็นจริงเนี่ยถ้าว่าซ้ำๆก็ซ้ำๆชีวิตมันซ้ำไหมเราว่าวันๆหนึ่งซ้ำไหมซ้ำมีอะไรบ้างถ้าโดยวันโดยวันนะเอาเช่นเอาวันเอาคืนมาจับก็มีเช้าสายบ่ายค่าอะไรองเดึกกลางคืนตื่นนอนทีนี้เช้าทาอะไรบ้างกิจกรรมก็ซ้าๆใช่ไห ตื่นเช้ามาเอากระเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเอาเสร็จแล้วแต่งตัวแต่งตัวเสร็จก็เรื่องกินอีกและวพอเรื่องกินก็เรื่องเดินทางเรื่องทํางานแล้วก็ทํางานโดยมากก็ประกอบอาชีพซ้ําๆนะกิจกรรมที่ทําก็ซ้ําๆอยู่วันๆหนึ่งเอาถึงเวลากลางวัน ก, ก็กินอีกแล้วทานอีกละ ก็กิจกรรมก็ซ้ำๆอีกกับอาหารก็เมนูมันก็ซ้ำๆเพราะอาหารไทยก็กินอาหารไทยอย่างเงี้ยยังไงทุกมื้อก็มีข้าวประกอบเนี้ยนะใบบายมาก็เหตุการณ์ก็ซ้ำๆเย็นก็ซ้ำกลางคืนก็ไปนอนอีกแล้วและอิริยาบทที่เป็นไปก็ยืนเดินนั่งนอนก็อยู่แต่เรื่องซ้ำๆคนที่เราเกี่ยวข้องโดยมากก็เกี่ยวข้องกับคนซ้ำๆอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ทําไมถ้าเราทําไว้เสร็จครั้งเดียวนะหรือทําให้ชํานาญเดี๋ยวก็จบละเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเพราะที่เหลือก็มีแต่ ซ้ำๆมีแต่ซ้ำๆเหมือนกับคนสวดมนต์นะถ้าสวดได้ครั้งเดียวแล้วนะที่เหลือก็จะไปสวดเรื่องเดิมนั่นแหละซ้ำๆอีกแล้วก็ไม่มีอะไรละแต่นี้เราไม่ได้แผ่เอาไว้จนชำนิชำนาญพอก็ทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงลืมสติคนที่พิจารณาที่ละเอียดเนี่ยนะเขาเข า, เขาสามารถทบทวนว่าอะไรบ้างที่เขาเคยเอามาใส่ใจโดยขันทารยตนะและสิ่งใดบ้างที่ยังไม่เคยเอามา ใส่ใจก็มาแยกสองส่วนนี้ให้ออกเช่นเอาเห็นอาจารย์สันติเอาเคยใส่ใจโดยความเป็นขันธะอายตนะไว้ดีแล้วเอ๊ะทำไมคิดถึงผู้การก็มีแต่เรื่องไปร่วไปทำไมไม่ใส่ใจว่าเป็นขันธ์อายตนะธาตุสมาทานเลยนะท่านนึกถึงผู้การเมื่อไหร่นะต้องใส่ใจว่าเป็นขันธ์ธาตุอายตนะให้ได้เอาได้กับอาจารย์สันติกับผู้การใส่ใจว่าขันธ์ธาตุอายตนะล้ ทีนี้พอใส่เห็นยมเล็กเอ๊ะทำไมไม่เอายมเล็กมาคิดเรื่องขันทา่าอริยตนะบ้างเอาไปคิดเออมเล็กกวขันทา่าอรยตนะประชุมกันนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าขันทา่าอรยตนะได้สามคนนะใช่ไหมเอ๊ะพอยมต้นเอ๊ะเฉยๆแล้กวก็ขันทา่าอริยตนะเหมือนกันเองนะก็สมาทานที่จะประพฤติเพราะดังที่กล่าวว่าคนที่เราเกี่ยวข้องโดยมากซ้ําๆคนที่เราคิดถึงโดยมากก็ซ้ําๆเพราะถ้าซ้ําๆนะคิดได้ไม่กี่ครั้งเนี่ยนะทำกิจเหล่านี้ ไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลิกซ้ําะนั่นะนะไอ้คําว่าเลิกซ้ําก็คือไม่มีอะไรใหม่แล้วก็มีแต่เก่าๆแล้วก็เริ่มเจาะรายละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปเท่านั้นเองแต่มันเหมือนกับว่าจะต้องทําไว้ในใจอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนนี่มนนานักสิการไปแล้วนะครับแต่ว่ามาเห็นอีกทีมันไม่ได้ไมาได้สิการอย่างเดิมแล้วนะครับอย่างเช่นเคยมาสิการว่าเป็นขันทายตนะเนี่ยแต่รู้สึกเขาทาไม่ดีก็รู้สึกขุนใจหรือว่า อ า, อาจจะมีโลภะเกิดขึ้นนะครับทั้งๆ ท, ที่เคยมนัสิการอย่างเช่หมหวยนี่ทั้งอิติโตทั้งอะไรเชื่อแย่เลยนะครับตอนผมนไปไหว้ไปะธานนี่ก็คิดถึงโดยโตสี่สิบเนี่ยอพอมาเห็นอ้าวลืมอีกแล้วมันรู้สึกว่าคงจะต้องคือใส่ใจไว้บ่อยๆเพราะว่าวิปัสสนานี่เสริมได้ไหมครับก็ตำราท่านก็บอกว่าอโยนิโสมนสิ ก, การเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิปัสสนาที่เคยเกิดแล้วก็ เสื่อมไอ้วิปัสนาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่าความเห็นเหล่านี้จึงเสื่อมได้ปัญเสื่อมสัมมาทิฏฐินี้จึงเป็นเหตุให้เสียใจไงพยสนะห้านะเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากศีลเสื่อมจากทิฏฐิเสื่อมจากญาติเสื่อมจากทรัพย์เสื่อมจากโรคเนี่ยนะไอ้เสื่อมเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความเสียใจได้เมื่อก่อนนะทุกคนเนี่ยเราเห็นว่าขันธายตระตอนนี้ทําไมไม่เห็นอย่างนั้นก็จากเสียใจได้นะนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความ เสียใจยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทากิจเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะคือการใส่ใจแบบนี้ก็เหมือนกับการฝึกอ่านหนังสือเริ่มแรกนั้นถ้าไม่อย่างเหมือนเด็กเด็กเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะที่เรียนหนังสือบางคนนี่เขาเรียนแค่ชั้นประถมหรือบางพวกก็มัธยมต้นๆก็เลิกเรียนแล้วก็ไปทำอะไรบางคนนี่อ่านหนังสือไม่ออกเลย ตอนหลังมาอ่านหนังสือไม่ออกก็ามาค่อยๆสะกดใหม่แล้วฝึกจนชำนาญแล้วคันนี้ไม่ลืมบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนี่ก็ลักษณะเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกให้มาเสพคนในชีวิตที่เป็นจริงเขา้าเรียนจนถึงว่าลืมตำราให้หมดแล้วเอาความรู้เหล่านี้มามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงจริงเนี่ยนะก็จนจนชนานาญนะนะทีนี้ถ้ายังไม่ชนานาญก็บอกว่านึกถึงใครก็สาธยายเลย สาธยายว่าจักขู่ธาตุรูปธาตุจักขูวิญญาณธาตุอนัทคิดแบบท่าสิบนะเขามีอะไรบ้างเขามีตามีสีมีจักขูวิญญาณมีหูมีเสียงมีโสตวิญญาณมีจมูกมีกลิ่นมีคานาวิญญาณมีลิ้นมีรสมีชิวหาวิญญาณมีกายมีโพธภามีกายวิญญาณมีมโนมีธรรมะมีมโนวิญญาณก็จริงๆท่าสาธยายฝึกสาธยายแบบนี้กับทุกอารมณ์ถามว่าเสียเวลามากไหม ถ้าเราจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วสาธยายเรื่องนี้เพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะคงธุรกิจไม่ถึงก็เสียหายเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งเนาะนะปัญหาว่าเออเพือพูดพูดอีกในหนึ่งนะว่าวิจารณญาณในขณะนั้นเราไม่ค่อยแม่นยําไม่ค่อยแม่นยําว่าสาระของการคิดถึงเรื่องนั้นจริงๆออยู่ที่ไหนสาระคือประโยชน์โลกนี้หรือประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งเราแม่นยําขนาดไหนในส่วนเหล่านี้ด้วย เพราะสะตเนี้สติสติที่เกิดขึ้นระลึกวันนี้เป็นสมถานี้เป็นวิปัสสนานี้เป็นศีลนี้เป็นสมาธินี้เป็นปัญญานี้เป็นสติปัฏฐานเป็นต้นอ่ะสตินีเราอ่อนกำลังมาก น, นะความหลงลืมสติจึงมีมากอันนี้ก็เป็นสังเวกขวัตถุอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราควรจะสังเวทว่านี่นะอริยทรัพย์ของเรามันมันเหมือนกับอะไรนะพูดแบบชาวโลกก็คือ โอ้ทำไมเงินมันขาดมือบ่อยขนาดนี้ทรัพย์เหล่านี้ทำไมมันขาดมือขนาดนี้ถ้าขาดมือขนาดนี้ไม่นานนะ่ล่มจมแน่นี่ก็อริยซัพย์ใช่ไหมอริยรัพย์ทำไมขาดมืออย่างนี้วัตตาเราเดือดร้อนแน่อย่านั้นอยู่ในวัตตาก็อยู่แบบคนเร่าร้อนแน่เพราะสังสารวัตมันเป็นไปในลักษณะนี้เมื่อมันเป็นไปอย่างนี้อริยซัพย์เราลดลงขนาดนี้เนี่ยคาขาดภายนอกถ้าเสียทรัพย์ไปไหนไปตาราง พระองค์บอกว่าถ้ า, าศาสนานี้เหมือนกันถ้าเสียทรัพย์ในาศาสนานี้ไปไหนก็บอกว่าพระองค์บอกว่าคุกคือนรกกระเดิรฉานนี่เป็นคุกที่ใหญ่จริงๆใครลงไปแล้วออกยากมากเพรามายังนึกไม่ออกว่าจะไปโปรดปลาที่พุทธมนฑนให้ออกจา ก, กเป็นปลานี้จะทําได้ยังไงเนี่ยนะนึกทางไม่ออกเลยจตุติช่วยไปคิดให้ทีว่าทําได้ยังไง <c oughs> <c oughs> <y ok> ย่อมกันบอกว่าเอ๊ะเขามีการเอาขึ้นบ้างหรือเปล่า เ, เนี่ยกว่างั้นนะ ไปขึ้นภาษาเขาแปลว่าเอาไปต้ ม, มั้งหรือเปล่าอย่างนั้นนะอโอ้โทษของปะตะนี่ลองมาดูสายใจโดยขันบ้างนะขันขันนี้ก็คุ้นเคยมากเลยเนะี่ยพอมาถ้าอยากจะกล่าวโดยส่วนตัวนิดหนึ่งนะบอกว่าใครไม่รู้ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเลยนะไม่รู้จะปฏิบัติว่ายังไงเลยเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่สวมดมนต์เมื่อเช้าเนี่ยคุณเอาไปคิดแค่นั้นนะนะนะนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วพอมาชื่นชมคนที่เรียบเรียง คำเรียบเรียงนี้เชื่อว่ามีตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุธยาเรียบเรียงบทสวดมนต์เหล่านี้นะก็ก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีมาบ้างแล้วคือเก่งมากเลยนะเรียบเรียงแล้วเห็นข้อปฏิบัติในชัดเจนได้ทั้งหมดเลยอย่างละลึกถึงพระรัตนตรัยก็เป็นลักษณะของเจริญสัตทินรีการพิจารณาขัน น, นะว่าขันทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะทุกคนเนี่ยมีทุกข์กันหมดเลยนะ คนนี้ก็มีทุกคนนั้นก็มีทุกคนนี้ก็มีทุกทุกอะไรบ้างล่ะทุกคือความเกิดไอ้คาว่าถ้าใช้คําว่าเกิดเนี่ยของเราก็จะมาคิดว่าเอ๊ะที่ฉันเกิดมาก็ไม่เห็นทุกข์สักเท่าไหร่ใช่ไหมคิดอะไรอะไรก็สมหวังไปหมดเลยคิดอะไรอะไรก็ได้ดังใจเราเนึกเลยเป็นผู้มีบุญมากเกิดมันเป็นทุกยังไงถ้าเกิดมันเป็นทุกฉันจะไม่ฉลองวันเกิดแบบทุกวันนี่หรอกเหมาอนั้น ก็มีความรู้สึกว่าเออเกิดนี่มันดีเกิดนี่มันสุขใช่ไหมก็เลยฉลองวันเกิดใหญ่โตเลยดีแฮปปี้ด้วยนะที่คุณได้เกิดขอมาบอกขอแสดงความเสียใจยด้วยนะถ้าคุณไม่เกิดคุณไม่ทุกแบบทุกวันนี่รอกันนะขอต้องไปบอกว่าขอแสดงความเสียใจยด้วยนะนี่มบอกขอแฮปปี้ด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ว่าไปเนะเยขามาฟังแล้วก็ขำมากเลยะ <Happy, S 1> <c oughs> นี่ก็แฮปปี้ปีใหม่นั่นนะก็ <c oughs> เลยเดือดร้อนหนี่ยานะ ออก็น่าคิดว่าเออเนี่ยของพวกเราวิจารณญาณนี่พลาดมากว่างั้นเถอะพิลลาดมากๆเลยนะเกิดมาเพื่อจะแบกกองทุกข์คิดดูนะสมัยตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่เลกนะโอ้โหเนี่ยเราต้องมาแบกน้ําหนักห้าหกสิกิโลเกินตายเลยเลยเนี่ยเราจะต้องมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองวันละสามมือนะ่าจะต้องอาบน้ําล้างหนะ้าแปรงฟันจะต้องไปลุกไปเดินจะต้องไปดีใจจะต้องไปเสียใจจะต้องไปรับภาระจะต้องไปบมหาบริหาร แต่ถึงอย่างนั้นก็มาดีใจที่ได้เกิดเหมืนะนะแสดว่าตะเย็นสบายเลยนะไม่เห็นหน่ากลัวอะไรเลยนะผู้การบอกว่าเออมันได้เท่าเดิมอีกก็ยังดีเหมนะือนกันไม่รู้ดียังไงไม่ทราบผู้การกบอกว่าเกิดได้เท่าเดิมนี่ก็ดีไหมเนะห็นไหมเท่าเดิมตอนนี้ครับไเท่าเดิมตอนนี้ก็ยังดียังมีเงินมีทองใช้ยส้อยเนะ อยาให้มันเลวกว่านี้เลยนะแต่ยังไงยังไงก็เห็นแล้วว่าอย่ามามาเป็นอย่างนี้ดีที่สุดนะเพราะว่า <c oughs> เห็นเห็นแล้วครับเวลาเนี่ยเห็นแล้วครับเวลาเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เห็นแล้วว่าขันห้านี่มันเลวมากๆาเห็นแล้วเห็นแล้วมันเลวมากๆานะคร โดยเฉพาะในบรรดาโตทั้งหลาย40่สิโตนี่นะฮะผมสนใจมากที่สุดคือสังกิเลสโตเนี่ยนะเพราะว่าทำทุกชนิดเป็นสังกิเลสธรรมเนี่ยมันทําให้เราเกิดกิเลสได้ทุกอย่างทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเม่อว่าทําอันใด น, นะเราว่านี่คือสังกิเลสสังกิเลสโตเนี่ยไม่มีผิดเลยไม่มีผิดสักอย่างหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสังขาร น, นะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตน่ยไม่มีเว้นเลยถ้านลองลองลองพิจารณาดูเถะว่ามันก่อให้เราเกิดกิเลสได้ไหมโลภะได้ไหมโทสะได้ไหมมานะได้ไหมทิฏฐิได้ไหมมัจจยะได้ไหมอิสาได้ไหมได้ทุกอย่างเลยไม่เชื่อลองดูเถอะครับตัวเนี่ยผมสนใจมากนี่พอย้อนกลับมาว่าการเกิดขึ้นของขันห่านี่มันเป็นทุกช่วยไหทุกสรุปว่าความเกิดเป็นทุก ทนี้คำว่าเกิดเมื่อไหร่นะต้องคูณพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าต้องไปคูณอย่างนี้ไว้เสมอก็เราก็มานึกแค่สั้นๆแค่เกิดมาชาตินี้แต่จริงๆแล้วเขาคูณสรุปพบสามคูณพบสามแต่โดยมากอยู่ในการมาพบหมายเหตุนะบว่าเกิดในพบสามวงเล็บหมายเหตุว่าโดยมากการมาพบแล้วก็วงเล็บอีกว่าโดยมากในอบายภูมิอย่างนี้นนะวงเล็บ <c oughs> กำเนิดซีเกิดในคันเกิดในครันก็ไปฝากตัวไว้กับมดลูกทั่วไปหมดเลยแต่เกิดในไข่ฟองไหนดีเกิดในเท้าคลายก็คือของสกรปรกบ่อไหนดีเนะาะแบนี้นแะแต่เกิดเป็นโอปปาติกะผุดโตขึ้นมาผุดในนรกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นหนุ่มทันทีเลยในะอย่างพระเทวทัพผุดขึ้นมาแล้วมีซี่เหล็กตรึงไว้ทันทีเลยอย่างนี้อนนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมถ้าผุดโตในเทวดาหรือในพรหมโลกเขายัางชั่วแต่ก็ชั่วคราว แต่ก็ชั่วคราวพบสกําเนิดสี่คติ5้คติหก็คือชาติคือการเกิดในนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดาวิญญาณทิติเจเกิดแบบไหนแบบปฏิสนธิจิตเหมือนกันหรือว่าร่างกายต่างกันร่างกายต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยนะ ก็มาวิเคราะห์อีกเนี่ยแล้วอยู่ในศาสตร์ตาวาสประเภทไหนที่อยู่ของเราเป็นยังไงบ้านช่องห้องหอร่างกายที่อยู่เป็นไปยังไงเนาะก็มาคิดอย่างเนี้ยบ่อยๆมากๆว่านี่คือความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกพอเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็รับภาระรับภาระเนี่ยนะทุกคนก็จะรับภาระของตนของตนของต น, ของตนไปและหยุดอยู่เท่านี้ไหม เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต์ทีนี้สรุปมาที่กล่าวมาทั้งหมดก็คืออุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคืออะไรภูตร า, า, ร, า ร, ตรูปและอุปาทายรูปทีนี้การพูดถึงภูตารูปและอุปาทายรูปเน้นพิเศษคือเน้นเน้นสัมมสนารูปรูปที่ควรแก่การพิจรารณาเน้นนิพพนรูปรูปที่ นิพพันที่รูปรูปที่สำเร็จแล้วก็รูปปรูปรูปที่ถึงความสลายไปรูปเหล่านั้นทั้งหมดมี17รูปจริงๆมันมี20รูปทั้งหมดมี28ใช่ไหมภาวะรูปนับหนึ่งก็เลยเหลือ27 27เ่เอาอานิพพันรูปออกไป10ก็เหลือ17 17นั้นคิดถึงอะไรก่อนบอกธาตุสีมีสมุดฐาน4คิดง่ายๆนะธาตุสเกิดจาก สมุธฐานสี่อย่างคนหรือสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นเป็นรูปที่มีกรรมเป็นสมุธฐานภูตรูปที่มีกรรมเป็นสมุธฐานถ้าเป็นดอกไม้ข้าวของเครื่องใช้เป็นภูตรูปที่เกิดจากอุตูเป็นสมุธฐานถ้าจิตสมุธฐานอุตูสมุธฐานอาหารสมุธฐานโดยมากแล้วก็รวมอยู่ในร่างกายพั้นมหาภูตรูปสี่และ มหาภูตรูปสีที่เกิดจากสมุทฐานสี่มันจะต้องนึกถึงคำนี้ให้ได้ให้แม่นเลยภูตรูปสีที่เกิดจากสมุทฐานสีเมื่อภูมหาภูตรูปสีที่เกิดจากสมุทฐานสีเนี่ยนะที่มีสีที่มีเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานก็อย่างหนึ่งสีที่เกิดจากภูตรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็อย่างหนึ่งสีที่เกิดจากรูปที่มีจิตมีอุตุเป็นสมุทฐานก็อย่างหนึ่งสีที่เกิดจากมหาภูตรูปที่มาจาก อาหารสมุตรฐานก็อย่างหนึ่งก็ไล่ไปอย่างนี้บ่อยๆคือพอคิดถึงคำว่าสีปั๊บก็สาวไปหามหาพูดแล้วก็มหาพูดก็สาวไปหาสมุทฐานสีเนี่ยนะก็สาวไปอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆกลิ่น <c oughs> กลิ่นก็เหมือนกับรูปกลิ่นรสโอชาก็เหมือนกันเพราะสีกลิ่นรสโอชาเนี่ยเป็นรูปที่จะต้องเกิดร่วมกับมหาพูดอย่างแน่นอนและมหาพูดทุกมหาพูด จะต้องมีสีกลิ่นรสและโอชาแล้วมหาพูดก็สมุทฐานก็มาจากกรรมจิตอุตุและอาหารถ้าเราวิเคราะห์ตัวใบหน้าเลยนะเส้นผมที่ออกนอกตัวเลยนะเส้นผมที่ออกนอกตัวมีอะไรเป็นสมุทฐานอานะที่หวีๆกันทุกวันเนี่ยนะมีอะไรเป็นสมุทรานสีเหล่านี้มีอุตุเป็นสมุทฐานคิ้วที่พ้นออกมานอกตัวก็มีอุตุเป็นสมุทฐาน ถ้าเป็นสีของสีหน้าสีหน้าสีหน้าสีหน้าอ่ะ น, นะก็แล้วแต่เราจะคิดเอาใหม่สีหน้าที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเนี่ยกรรมเป็นสมุทฐานใช่ไหมก็ดแูแล้วอายุก็ไม่เท่ากันอะไรไม่เหมือนกันผิวพรรณก็แตกต่างกันบางคนก็ละเอียดบางคนก็ประนีหรือแตกต่างกันว่า ง, งั้นโดยสรุป น, นะอันนี้ทำบุญมาไม่เหมือนกันอะ น, นะ แล้วต่อไปอีกแล้วทําไมเออหน้าเดียวกันนี่แหละทําไมแต่มันไม่ค่อยปกติเลยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็บานเน่ยนะเขาเขาวาดยังไงนะเขาวาดยิ้มกับหุบเขามาไงนะเออแบบวงเดือนแล้วแต่เอาขึ้นหรือเอาลงใช่ไหมเดือนคว่ำหรือเดือนหงายไง้ <c oughs> in <c oughs> เดือนคว่ำเป็นอะไรหงายหงายโทสะใช่ไหมถ้าเดือนหงายโลภะใช่ไหมโสมนัสก็เป็นเป็นไปกับโสมนอันนี้ดูได้อันนี้สมุดฐานไหน จิตเป็นสมุดฐานให้จิตเป็นสมุทฐานอย่างเช่นสีคือน้ำตาที่ออกจากตานี่มันแล้วแต่บางช่วงก็น้าตาจากโทสะบางทีก็มาจากปีติหรือโลภะก็ได้เพราะปีติมันก็เกิดร่วมกับโลภะก็ได้นี่ต่อไปแล้วอีกช่วงหนึ่งหน้าอมอีกช่วงหน้า อ, อ้ว น, นอันนี้ดูได้จากอะไรอาหารเนี่นะถ้าตากแดดมากกับช่วงที่ไม่ค่อยตากแดดยังไง อุตุด้วยนะก็กรรมจิตอุตุพันสีหน้าเนี่ยดูได้เลยว่าสีที่มาจากมหาพูดที่มาจากสมุธฐานสีเนี่ยนะสีมหาพูดเป็นเหตุใกล้แล้วเกิดจากสมุธฐานสีกรรมจิตอุตุและอาหารก็ต้องมาวิเคราะห์แบบนี้ให้บ่อยๆทีนี้วิเคราะห์ในส่วนของอา้าวเมื่อพูดถึงหน้าพับก็ต้องมีตาจักขู่ภาษาทะใช่ไหมแล้วก็แยกไปส่วนหูเป็นโสตประาษาทะจมูกที่เขารู้กลิ่นเป็น คณะภาษาธามีลิ้นเนี่ยก็มีชิวหาภาษาธาในทั้งหัวก็มีกายะภาษาธาต์เพราะฉะนั้นทั้งหัวเนี่ยนะมีทั้งมาภูตรูปสี่ที่เกิดจากสมุทฐานสี่มีสีกลิ่นรสและโอชาเกิดร่วมด้วยแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายอยู่ข้างในในรูหัวแล้วก็มีภาวะรูปได้ไหมมีภาวะรูปด้วยชีวิตรูปรักษาเวลาแป่งวาจาออกมาก็มีเสียงมี สมุดฐานสองเพราะฉะนั้นการเรียนรู้รูปที่เรียกว่ารูปสิบเจ็ดรูปเหล่านี้เนี่ยนะอให้อ่านในชีวิตไม่ใช่เอาไว้ท่องเอท่องได้ก็ดีนะเก็ไม่ได้ว่าอะไ ร, รเดี๋ยวเขาบอกเออท่านปฏิเสธการท่องโยมยังจําไม่ได้เลยทำไม่เป็นไรโยมก็ไม่ต้องท่องก็ได้ว่าซ้ําๆสักห้าสิบครั้ง <c oughs> เขาก็เรียกท่องอย่างนันแหละเนาะแต่ว่าเอาอย่างเงี้ยแล้วก็จําให้ได้อย่างนี้แล้วเอามาคิดในชีวิตที่ ที่เป็นจริงเนี่ยนะเอามาใช้เอามาเห็นหน้าใครก็เอามาฝึกคิดแบบนี้นะเขาไม่รู้เรากว่าเราคิดอะไรอยู่เราก็ไม่ได้คิดแช่งชักอะไรเขาสักหน่อยนะเขาคิดอย่างนี้เขาคนที่เขาพิจารณาเราเนี่ยมีรูปกี่รูปเกิดจากสมุทฐานสีเนี่ยนะเขาคงไม่เสียใจมากเนาะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะฉะนั้นเราไปคิดอย่างนี้เถอะเขาไม่ว่าเราหรอกสําคัญก็คือใส่ใจอย่างนี้ให้เห็นเป็นรูประคัน รูปทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นรูปที่ควรพิจารณาแล้วก็เป็นนิพพานรูปรูปที่สำเร็จแล้วก็เป็นรูปประรูปรูปประรูปแปลว่าอะไรเป็นรูปที่มีความเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยเป็นธรรมดาเสื่อมสิ้นไปเช่นอย่างที่ว่านะมหาภูตรูปเหล่านี้ถ้าร้อนเกินไปเดี๋ยวก็แตกทำลายเย็นเกินไปหนาวเกินไปหรือขาดอาหารสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นก็พร้อมที่จะ เสื่อมสิ้นสลายไปส่วนรูปอีกสิบรูปไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องเก็บเอามาพิจารณาคืออะไรวิญยติรูป 2. อ, อากาศาธาตุละหุตามุตุตากามัญตาอุปจยารูปสัน ต, ติรูปชรตารูปอานิจจตารูปเป็นรูปที่ไม่ควรแก่การพิจารณาตอนนี้ยังไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเอาไว้ก่อนคือไม่ใช่ไม่ให้พิจารณาในตอนหลังให้พิจารณาแต่ขณะนี้อย่าเพิ่งเอาไว้ก่อนเพราะอะไรนะเพราะมันเริ่มซับซ้อนแนละ มันเริ่มซับซ้อนขึ้นมันก็พิจารณาเฉพาะสัมมะสนารูปก่อนในเบื้องต้นส่วนรูปที่ไม่ควรพิจารณาเนี่ยนะคือวินยติรูปอากาศรูป อ, อะไรนะละหูตาเป็นต้นเรียกอะไรนะวิการรูปหรือว่าลักษณะรูปรูปเหล่านี้เนี่ยยังไม่ต้องพิจารณาเพราะอะไรเพราะ วิญยติรูปกับลักษณะรูปเป็นเพียงอาการของรูปเป็นวิการของรูปแล้วก็ปริเฉทรูปก็เป็นเครื่องตัดต่อของรูปนิพนธารูปเหล่านั้นเท่านั้นเองนนเนี่ยนะสรุปว่าวิญยติรูปเ ป, เป็นอาการของนิพนธารูปเหล่านั้นนั่นแหละลักษณะรูปก็เป็นเพียงอาการของนิพนธารูปอีกนั่นแหละวิการรูปอ่ะ ก็เป็นเพียงความเสียหายความเกิดความก่อและความเสียหายปริเฉทรูปก็เป็นการตัดต่อระหว่างกลุ่มรูปต่อกลุ่มรูปเท่านั้นเองเพราะนั้ในลักษณะของอานนิพพานรูปจึงยังไม่ต้องพิจารณาเพราะไม่ใช่นิพพานรูปไม่ใช่รูปประรูปไม่ใช่รูปที่ต้องสลายไปไอ้คำว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าอย่าพึ่งพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงสําหรับคนที่เริ่มฝึกเจริญ ใหม่ๆอันนี้พูดกับคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆยังไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันซับซ้อนมากหรอกเอาไอเฉพาะที่ชัดๆที่สามารถไปพิจารณาให้ได้ก่อนเรียนถามพระคุณเจ้าะครับถ้าอย่างนั้นในสติปัฏฐานกับในทิฏฐิวิสุทธิ์ที่นี้อันไหนจ ะ, ะสูงกว่ากันหรือว่าเป็นลําดับขั้นยังไงครับเพราะว่าในสติปัฏฐานเอริยบทบพะหรือสัมชัญญะบพะเนี่ยท่านก็แสดงให้พิจารณาจิต แล้วก็จิตตชาวโยธาใช่ไหมครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับวิญญาติรูปเนี่ยการเคลื่อนไหวไปมาเลสต่างๆอันนี้ครับก็จริงๆแล้วไม่ต่างกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะในวิสุทธิมรรคเป็นการพูดข้อปฏิบัติเริ่มไปโดยลำดับคืออันนี้พูดในตอนต้นอยู่เมื่อพูดตอนต้นอยู่เนี่ยนักศึกษาที่ที่เริ่มมาพิจารณาใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มสับสนเอ๊ไอวิการไออันนี้ผันรูป อ่ะเป็นอาะสภาวะรูปอสภาวะรูปคิดยังไงมันก็จะคิดไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ต้องรีบไปพิจารณาพวกอสภาวะรูปเน้นพิจารณาสภาวะรูปก่อนเน้นพิจารณารูปที่มันสาเร็จมันสามารถพิจารณาได้ง่ายได้ไม่ยากแล้วพอพิจารณาเสร็จแล้วพวกอสภาวะรูปเหล่านี้จะเข้าใจเองโดยไม่ยากนักะนะเพราะใน วิสุทธิเหล่านี้กับในสติปัฏฐานไม่ขัดกันแต่ว่าพูดกันคนละขั้นเท่านั้นเองอย่างในสติปัฏฐานโดยมากที่แบบเป็น เ, เมื่อยือนเดินนั่งนอนมีการอะไรนะยกย่างหย่อนย้ายหยีบยันเป็นต้นในบางอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นการพิจารณาระดับสัมมาสานญาณไปแล้วอันนี้เราพูดยานต้นๆเป็นการฝึกซ้อมความเห็นความเข้าใจอนะเป็นเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเอง เมื่อเป็นเบื้องต้นจึงยังไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันซับซ้อนมากนะักเดินพรานในมหาสติปทานสูตรนั้นนี่นะครับพูดถึงว่าเอากายยาก่อนนะฮะในมหาสติปทานสูตรมียาตะปริญญาหรือไม่ครับตัวตีละนะปริญญาไม่มีปัญหาหรือว่าปหาหนาปริญญาก็ไม่มีปัญหาถามว่าสติปทานสูตรมียาตะปริญญาหรือไม่มี ยาตะปริญญาคืออะไรก็คือการพิจารณากายนี่แหละเป็นที่ประชมแห่งท่าสี่กายนี่แหละเป็นที่ประชมแห่งท่าสี่กายานุปัสนาบัพ้าแรกคืออะไรลมหายใจเข้าออกก็นับเนื่องในท่าสี่บับพ่าที่สองคืออิริยาบถอิริยาบถก็คือจิตชาวายโยคือลมพัด ท, ทั่วสารพางกายบับพ่าที่สามสัมปัญญะบับพาก็คือเน้นพิเศษก็คือเกี่ยวกับ จิตชาวาโยธาอีกนั่นแหละลมพัดทั่วสารพางกายบัพพาที่สปฏิกูลมนัสิการหรืออาการ32อาการ32ก็ผมขนเล็บฟันหนังก็คือท่าสี่บัพพาที่ส่ที่หก็คือจตุธาตุววัฐานก็คือท่าสหลังจากนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องร่างของผู้ตายทั้งหลายก็เกี่ยวกับเรื่องอันนั้นถ้าเอามองตัวหลักๆใหญ่ๆให ญ, ให ญ, ใหญ่เลยเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันกับที่กำลังเรียนอยู่นี้ ไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวจะขอไปหยิบหนังสือแป๊บหนึ่งแล้วจะอ่านให้ฟังว่าไม่ต่างกันคือสนใจกำลังสนใจเรื่องปริญญาอยู่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็เคยเข้าใจว่ายาตัปริญญานี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องต้นๆเป็นเรื่องง่ายบางงั้นเถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยาตัปริญญาเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆเลย ถ้ายาตาปิญญาไม่ดีแล้วก็ก็ยากที่จะไปพิจารณาคันตีนะปิญญาเพราะปิญญาจาตปิญญาเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าในมหาติปัฐานสูตรนั้นได้กล่าวยาตาปิญญาไว้รู้สึกว่าจะน่าจะย่อกว่าในที่อื่นนะครับนะย่อยยอที่อื่นที่ผมเข้าใจเอ ง, เ, องเข้าใจว่าถ้าโยคาวจรหรือว่าสมัยบุคคลในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเรื่องปริญัติเนี่ยเขาเขาเขา อะไรอ่ะคองแคล่วหรือว่าสมบูรณ์่ะสมบูรณ์่ะนะไม่เหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเทศ น, า ก, น า, าก็ทรงเทศนายาตริน ญ, ญาเพียงแต่ยกหัวข้อก็รู้กันแล้วนะเพราะฉะนั้นยาตริน ญ, ญาแปลว่ารู้แล้วเนี่ยหมายความว่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กล่าวถึงในสิ่งที่รู้รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างคือถ้าพูดแบบคนโบราณที่เขาฉลาดฉลาดมากมานะเหมือนเหมือนอธิขง่ายๆอย่างนี้ว่า อย่างคนที่เรียนธรรมะมาหล า, หลายสิบปีเนี่ยนะแล้วก็ข้อมูลหลักฐานมันมากพอๆกันเนี่ยบางคำมันพูดแต่ไม่กี่คำเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นภาษาอะไรนะภาษาเฉพาะที่ที่รู้กันว่าถ้าใช้คำนี้ปั๊บมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็ในโลกนี้ภาษาเฉพาะทางนี้มีมีมากทางธรรมะก็ลักษณะเดียวกันเป็นภาษาเฉพาะเฉพาะเนี่ยนะที่รู้กันอย่างเช่นคาว่า กายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมณสังเนี่ยนะถ้าพูดในระดับคนมีปัญญาไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วจะมองเห็นสัจจะสีในทุกคําเหล่านั้นด้วยมองเห็นทุกคํานั้นเป็นเป็นอริยสัจมองเห็นในคําเหล่านั้นเป็นสติปัฏฐานเป็นอะไรได้หมดหมดชัดเจนเลยแต่ถ้าพวกที่ไม่ได้ศึกษามากมันต้องเอามาที่บายทุกคําแล้วก็ต้องเอามาที่บายแบบพิสดาร เมื่อกี้ที่ผู้การพูดถึงคําว่ากายานุปัสนาเนี่ยนะหรือว่าในวิสุทธิมังขที่เรากําลังเรียนกับกายานุปัสนาต่างกันหรือไม่ข้อความในปปัญจสูทนีอัตถกถาสติปฐานสูตรเนี่ยนะกล่าวว่าบทว่ากายเยที่แปลว่าในรูปปัจจัยความจริงรูปปัจจัยพระองค์ประสงค์เอาคําว่ากายในสูตรนี้เหมือนกายช้างกายม้าเป็นต้น คำว่ากายนี่เพราะอาจว่าอะไรเพราะอาจว่าเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่อวัยวะน้อยใหญ่มีอะไรบ้างก็แบบใหญ่หยาบที่สุดนะมีหัวมีแขนมีขามีลำตัวอันนี้ยอดที่สุดแล้วใช่ไหมพิสดารขึ้นไปก่นั้นอีกอวัยวะคือผมอวัยวะคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อมาประชุมรวมกันมันคาว่ากายแปลว่าเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่ ในอวัยวะคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เป็นที่รวมแห่งรูปธปรรม ท, ทั้งหลายนะเป็นที่ชุมนุมแห่งสิ่งหน้าเกลียดทั้งหลายนะแล้วก็เป็นที่รวมแห่งอะไรภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายนะแล้วก็วิเคราะห์วิจัยไปก็มีแต่ภูตรูปและอุปาทายรูปภูตรูปอุปาทายรูป ถ้าย่อลงมาก็คือผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังถ้ามารวมกันก็เรียกว่าอวัยวะเลหลอ์อวัยวะมารวมกันก็เรียกว่าเป็นเป็นคนเป็นสัตว์นั่นเองอนั้นก็ต้องมีการย่ออะไรนะถ้าเป็นภาษาแบบสองกล้องน่อยก็คืออะไรนะซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกดูแบบละเอียดดูแบบหยาบดูแล้วดูอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกนะอันนี้เป็นห้องแล a p ของชีวิตอนะแต่หมายว่าไม่มีห้องเป็นทำเลอะไรหรอกก็ เอามาคิดในชีวิตที่เป็นจริงให้บ่อยให้มากที่สุดเพราะปริญญานี้นะทำแล้วจบเองนะไม่มีคนออกประกาศนียบัตรให้ไม่มีอะไรนะเป็นปริญไม่มีไม่ใช่ปริญญาบัตรแต่ปริญญาคือปัญญาเนี่ยนะของผู้ใดก็ของผู้นั้นจริงๆก็ต้องหมั่นมามาคิดอย่างนี้ในชีวิตเพราะในกายานุปัสสนานั้นคําอธิบายก็ขึ้นต้นอธิบายแบบเดียวกันต่างแต่ว่าไม่พิสดารแบบในวิสุทธิมรร แล้วขณะเดียวกันอันตกถาของพระไตรปิฎกทั่วไปท่านบอกว่าอะไรที่มีคําอธิบายในวิสุทธมิมรรคให้ไปดูในวิสุทธมิมรรคท่านจะไม่อธิบายท่านจะอธิบายเฉพาะตรงไหนที่ในวิสุทธิมรรคไม่อธิบายท่านจะแยกมาให้ดูเป็นสับสับเท่า น, นั้นเองแต่ส่วนรายละเอียดแบบพิสดารบอกว่าให้ไปดูในวิสุทธิมรรคพรานขังอัตกถาทุกแห่งจะต้องบวกกับวิสุทธิมรรคด้วยเสมอเช่นอัตกระถาทีคณิกายเนี่ยต้องบวกกับวิสุทธิมรรค อัตถะฐามัชชิมนิกายก็ต้องบวกกับวิสุทธิมัคอัตถาสังยุตอังคุตรนิกายทุกนิกายต้องบวกกับวิสุทธิมัคเพราะฉะนั้นนิกายมีอยู่สี่นิกายเอาวิสุทธิมัคตั้งไว้ตรงกลางเพราะไปทุกนิกายต้องบวกกับวิสุทธิมัคไว้เสมออันนี้ลักษณะหลักการท่านเป็นอย่างนั้นไม่งั้นอัตถะฐานี้จะใหญ่โตกว่า น, นี้หลายสิบเท่าเพราะอะไรที่เคยอธิบายแล้วถือว่าอธิบายไว้แล้วกลับไปดูที่ที่เคยอธิบายแล้ว ห้านิกายส่วนคุถกานิกายเนี่ยบางท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นพระพุทธโคศาจารเรียบเรียงทั้งหมดเนี่ยนะมีพระธรรมมปาละมีพระทัตตพุทธทัตมีพระมหานามะเป็นต้น ท, ที่เรียบเรียงเนยนะเพราะฉะนั้นท่านจะไปอิงทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผลงานของท่านทั้งหมดเนี่ยนะ สรุปว่าเมื่อมีการวิเคราะห์รูปเหล่านั้นทั้งหมดได้ก็ใส่ใจว่ารูปเหล่านั้นทั้งหมดเป็นรูปประขันรูปประขันนะนะก็อย่างที่กล่าวครั้งก่อนใช่ไหมคำว่ารูปหมายคําว่าคําว่าไงรูป<ม>เสื่อมสิ้นสลายไปคําว่ารูปอธิบายแบบเสื่อมสิ้นสลายไปเนี่ยอธิบายแบบสามัญลักษณะ